ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตารโมโพติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสติคือการตั้งสติชอบโดยเน้นไปที่การตั้งสติระลึกจูที่กายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าได้นำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาใน เนื้อหาของมาสติประฐานสูตรที่ส่งแสดงอธิบายขยายความเรื่องนี้ไว้โดยเป็นการเฉพาะเมื่อก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของความเพียรเผากิเลสให้เ ร, ร่าร้อนความมีสติและความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งเป็นอาการของปัญญาหรือสัมปชัญญะ วันนี้จะพูดถึงข้อแรกก็คือจะเรียกว่าอนาปานสตินันที่จริงก็เป็นการจะแม่กายนั่นเองอนาปานสติก็คือดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็คือกายส่วนหนึ่งของกายแล้วเป็นตัวหลักด้วยก็เรียกเป็นกา ย, ยาสังขารคือสิ่งที่ปรุงปือกายของเราให้ดำรงอยู่ เพื่อสังเกต ว, ว่าคนเรานั้นอวัยวะต่างๆนั้นจะขาดอะไรไปบ้างก็ได้แต่ขาดลมหายใจไม่ได้จะขาดลมหายใจเราก็ตายท่านจึงเรียกว่าเป็นกายสังขารคือร่างกายนั้นถูกลอเลี้ยงปนปลื้ดูแลรักษาไว้โดยลมหายใจเข้าออกลมหายใจน้อยไปก็มีปัญหามากไปก็มีปัญหา ได้ต้องอยู่ในระดับที่พอดีพอดีแต่ในที่นี้ได้นำมาใช้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานหมายความว่าให้ตั้งสติตามระลึกอยู่ที่กายที่ลมหายใจเข้าออกในประบาลีพุทธวจะนะจริงๆแสดงไว้ค่อนข้างยากนะในการปฏิบัติ บรรครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธโคส า, าจารย์ก็ได้สอนมิธีทํานองคล้ายๆกับเป็นขอนรองเหยียบขึ้นไปสู่บันไดก็ไม่ได้ถึงกับสมบูรณ์ด้วยวิธีการอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการตายอันดับขึ้นไปตอนนี้เราก็ ม, มองที่พระบาลีพุทธ ว, วัจนสกอนร รับสั่งว่าภิกษุตั้งหลายภิกษุในธรรมินายนี้ย่อมพิจารณาเห็น ก, นกายในกายหนึ่งๆอยู่คำว่ากายในกายนั้นก็หมายความมาส่วนย่อยของกายดูส่วนย่อยของกายมาสู่ส่วนใหญ่ของกายจากส่วนใหญ่ของกายคือตามปปติแล้วคนสังเกตว่าการนอนคนด้วยความรักด้วยความชัง การมองอยู่สองแนวแนวหนึ่นเงเขาเรียกว่ามองรวบถือคือหมายความว่าผู้กับเป็นคนคนเป็นสิ่งสิ่งเป็นอันอันเป็นหลังหลังไปเลยจนวคนนี่สวยบ้านหลังนี้สวยรถคันนี่สวยต้นไม้นี้สวยอะไรอะไรดีแต่เราจะไม่หนักไปที่คนนะเน้นหนักไปที่รูปร่างกายของคนเพราะว่าโดยสูตรธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ย ในโลกนี้ให้มีรูปเสียงกีนรถปุถะภะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบนำใจผู้ชายได้เท่ากับรูปเสียงกีนรถปุถะภะของสตรีในขณะเดียวกันก็ไม่มีรูปเสียงกีนรถปุถะภะอันใดที่เกิดขึ้นครอบนำใจสตรีแล้วดำรงอยู่ได้เหมือนรูปเสียงกีนรถปุถะภะของบุรุษก็คือกันนะครับเป็นโลกเราเป็นโล ก, กิยาลมคือเป็นอารมณ์ของโลกอยู่ในระดับกามาวจรภูมิ คือจิตยังหมกมุ่นคุ้คิดอยู่ในเรื่องเพศเรื่องกามเพราะงั้นก็มีการกำหนดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บางครั้งมันก็แยกส่วนออกมาคือแม้จะมองว่าสวยงามทั้งหมดแต่ว่าสวยหลา ย, ลายส่วนเช่นอาจจะมองว่าผม ง, งามใบหน้างามตางามจาหมูกงาม เอาไวว่าใดส่วนใดส่วนหนึงงามหลายหลายงามแล้วก็ตื่งามไปเลยเพราะนั้นพิธีการศึกษามันก็คล้ายๆกับอานามย่อของนามบงเพราะอะไรเพราะว่าการงองในแนวนั้นในแง่ขอ ง, ของความจริงที่แท้จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเป็นมิปราัคือคาดเคลื่อนจากความจริงที่มันเป็นตรงนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ร่างกายเรานั้นที่จริงมันก็เป็นแหล่งที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลต่างๆการนั้นมาจากคําว่ากุกอายะแปล ว, ว่าแหล่งที่รวมของสิ่งสกปรกปฏิกูลทั้งหลายแต่เราแยกส่วนออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นส่วนที่น่าขยะขย ะ, ขยะมเมื่อแต่ร่างกายเราที่ผมสวยสวยขามดําเป็นเงาอะไรเนี่ยพอหลนลงมาท่านเองก็แย่แล้ว หล่นลงมาในอาหารเราก็ไม่กล้ากินแล้วแล้วหล่นลงในที่ต่างๆก็มีแต่กวาดทิ้งอย่างเดียวแล้วต้องการแสดงให้เห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นปฏิคูลจึงพยายามที่จะกรบเกลื่อนที่จะปกปิดที่จะซ่อนเร้นปิดบังความปฏิคูลเหล่านั้นเอาไว้โดยวิธีการชำระสสารคือ ชะล้างสิ่งปฏิกูลออกไปแล้วก็หลอกตัวเองด้วยการเสริมด้วยของหอมต่างๆน้ำอบน้าหอมแล้วก็หลอกตัวเองว่าตัวเองหอมเพ่งจะเห็นไว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพยายามกลบเกลื่อนแล้วก็หลอกกันและกันซ้าๆซักๆคืตอตรวงการโฆษณาสินค้าทั้งหลายที่อบหอม จ, จัาราชละล้างเนี่ย เรตั้งปัญหาถามมาทำไมล่ะทำไมจะต้องสามารถสะล้างต่างๆก็เพราะร่ังการมันปฏิกูลมันสกร ป, ปรกมัน่นาเกลยดต้องกัดสีชวีวันต้องอบกลิก่นกัโวดยวิธีการมากมายเลยเกิแล้วก็ยิงก็อยู่ได้ระยะสั้นๆเสร็จแล้วมันก็สกร ป, ปรกอีกเราจะเห็นว่าอย่างแมวกับคนเนี่ยคนไม่อาบน้ำสามวันเนี่ยอาการหนักแล้ว แมวนะครับน้ำสามวันไม่เป็นไรแต่ว่เนื่องจากใจมันมีความดั่ริดด้วยความกับหนัดอยู่ก็ เ, เรียกว่ามีการมาธาตุคือเชื่อของความใคร่อยู่ในใจใจก็จะปรุงคิดคิดปรุงไม่ได้ว่ามันสวยงามจึก็กลายเป็นความคิดที่วิปลาสเวลาสอนโดยปริยายต่างๆเนี่ยหมายความมาคล้ายๆกับ กายด้านในออกมอกอะคือแยกแยะชิ้นส่วนออกมาให้ดูเลยเพราประวผสมอย่างเดียวกัคือลดตัญหาแล้วก็เพิ่มปัญญาขึ้นเพราะว่าใจที่มีความรู้สึกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากตัญหาที่แก่กล้าแล้วก็ปัญญาไม่มากไม่สามารถจะคิดจะเห็นตามที่มันเป็นจริงได้คือบางครั้งบางคราวเราพ ว่าพระในสมัยพุทธกาลเนหลงเที่ยวไปเทีย่ยวมาอยู่กับปัญยาของท่านบวชบวชสึกๆึอยู่ตั้งเจครั้งเจคราด้วยกันจะาถามทำไมจึงสึกก็ด้วความรักความผูกพันความศรีหาในร่างกายของพันยา่ยาทำไมจึงบวชเพราะว่ากลัวความเหน็ดเหนื่อยความลำบากในการว มันไม่ใช่เบืหน่ายในทางเพศฮะแต่หัวหน่ายในการทำงานทางานหนะักแต่ถ้าทั้งวันดีนะอยากบวชก็บวชอยากสึกก็สึกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วพคราวสุดท้ายเนี่ยท่านสึกออกไปแล้วก็ไปทำนาก็ด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วกลับมาบ้าน มันถึงไปเจพัญญากำลังนอนหลับอยู่และตอนนั้นท้องแก่ด้วย น, อ น, นอนหลับภาพผ่อนก็หลุดลุ่ยก็นอนกลนเสียงดังท่านก็ไปยืนอยู่ข้างตัวพัญญาพิจารณาเห็นตตมอารมณ์ของเนี่ยกายกตาสติเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ท่านได้ศึกษามาในสมัยที่ยังเป็นที่บวชเป็นพระเนี่ยพิจารณาก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา แล้วในที่สุดท่านก็สลัดหลุดออกไปได้บรรลุมรรคผลเป็นประสดาบันตั้งแต่เดินทางไปก่อจะบวชในครั้งสุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยการบวชและบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเพราะการจะมองเห็นเรื่องเหล่านี้ชัดเจนามที่มันเป็นจริงมันต้องคิดเยอะมันต้องดูเยอะมันต้องสะสมความคิดในเรื่องเหล่านี้ไว้เสมอเสมอ เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามทั้งหลายในยความใคร่แม้แต่ความขัดเคืองความรุ่มหลงความบวมเมอที่จริงมันเกิดมาจากความคิดของเราเราคิดเราสวยมันก็สวยในสายตาของเราเราคิดเราไ ม, มไม่สวยมันไม่สวยมันอยู่ที่เราคิดเอาเราปรุงแต่งเอาแต่ น, นั้นเองมันเองไม่สวยโดยสภาพเพราะันการเรียนว่าสวยงามจึงถือว่าเป็นความคิดที่ผิปลาด คือถ้าสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องสากลเจ้าสังขารทั้งหลายไม่เที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งปวงเป็นหน้าตาเนี่ยมันเป็นจริงและก็สากลไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเมืันตกลอยู่ในกฎตรงนี้แต่ว่ารูปร่างกายมันไม่ใช่มันไม่มีความงามที่เป็นสากลในงามยังไงขนาดที่เราเรียกว่านางงามจักรวาลก็ได้ มันก็ไม่มีใครยอมรับกันทุกคนว่าเป็นความงามระดับจักรวาลระดับชาติประวันในแง่ของความเป็นจริงตัวชื่อมันก็หลอกแล้วนะคือถ้าเป็นนางามจักรวาล น, นก็ต้องประกวดจากนามงามในดาวทั้งหลายหลายดวงในโลกหลายๆโ ล, ลกนะฮะเข้ามาประกวดกันและจึงกลายเป็นจักรวาลแต่นี้ก็คนในโลกไม่กี่ประเทศที่มาประกวดกันคมันเริ่มถึงกรหลอกแล้ว ก็ชอบอยู่ด้วยหลอกๆอย่างนี้นหรือแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยสนุกก็ะจะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ไม่คล้องติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นในชั้นแรกที่ส่งแสดงเองก็รับสั่งดังที่กล่าวแล้วแล้วก็บอกว่าภิกษุในธรรมใ น, นนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งๆ อ, อยู่มีความเพียรในกิเลสเราร้อนมีสัมปชัญญะมีสติอันนี้ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วแต่วนานิฮัาสาราก็ปรุงธรรมอภิ ช, ชาและโทมนัตในโลกเสียพินาศอันนี้ก็คือเวลาเราสัมผัสอารมณ์ไม่ลองสังเกตสัมผัสสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและแม้แต่เหนี่ยวนึกจกนึกอยู่ภายในใจก็ตาม เกิดอภิชาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วไขว่คว้าปรารถนานั่นรูปสวยเสียงไปร้ะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องรับว้ากันไปเรื่อยๆจนถำเมื่อไหรจะพอละมันไม่พอคือเราครอบครองกันจนไม่รู้จักครอบครองไปทําอะไรแเราทาต่อไปแก่ตัวเองไม่ได้แต่ว่าด้วยกระแสของปัญหานี่มันเหมือนกับไฟที่ลุกลามไปนี คือจากไปที่เชื่อมันมีอยู่มันก็ลามไปได้เรื่อยๆถ้าเมื่อไรจะดับมันก็ไม่ดับอ่ะมังมีเชื่ออยู่ดังนั้นนักพิจารณาจึงที่เราเรียกว่ายินดียินร้ายกับโัมนัษย์เด็กคือไม่พอใจเป็นอาการของโลภะกับโทสะเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าที่เกิดโลภะโทสะเนี่ยพราะใจเรามีโมหะคือมีความหลงอยู่ แต่เาลดโมหะลงเนี่ยพวโธโลภะพวกโธสระพวกราคะเองก็ลดลงอย่างตัวอย่างพระจิาตาตะกะที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยสังเกตว่าทิ่ท่านต้องสึกถึงหกเ็ดครั้งเนี่ยเพราะราคะมันกระตุน้นย้อ ค, ควบคุมตัวเองให้อยู่ครองเพศเป็นนัก บ, บวชไม่ได้ก็ต้องสึกไปครองเรือนไปอยู่กับปัญญาแต่ในขณะเดียวกันความขีเกียดความเบื่อหน่ายในการทํางานหนะัก กว่าจะได้กินสัตมือก็สาหัสสากัรเนี่ยแล้วก็ผลักดันให้ท่านเข้ามาบวชแต่การบวชไม่ใช่บวช ด, ด้วยเบื่อหน่ายด้วยเห็นธรรมะอะไรมันก็มีอาการของขี้เกียจอยู่ดิงไม่ใช่เป็นเรื่องของสมาวยามาคือความประห ย, ยมะมในทางที่ชอบพี้ง่าจุดเด่นของท่านก็คือตอนบวชท่านตั้งใจประมาปฏิบัติดี เดี๋ยวก็มาสึกไปแล้วท่านก็ทําหน้าที่ของท่านพอท่านคิดใหม่นะครับจิตใจท่านก็เปลี่ยนแล้วจะเห็นว่าภาพที่ดึงท่านออกไปสึกออกไปเจ็ดครั้งเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนั้นเน่ยแล้วก็เหตุที่ทําให้ท่านต้องเกิดเบื่อหน่ายคลายกําหนัดจนบรร ล, ลุมรรผลเป็นพระอาจารย์ในที่สุดเนี่ยก็ผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นการมองภาพเดียวกันแต่ว่าคิด คนและกระแสความคิดกันมันคิดชอบหรือคิดผิดว่าเรียกว่าเป็นสมาธิทิฐิเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต่มิจฉาทิฏฐิระดับนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิระดับที่เรียกว่ามันคลาดเคลื่อนจากความจริงอาจจะเกิดขึ้นจากความจาความคิดหรือว่าความเห็นไป แต่พอท่านมีความเห็นชอบก็ทิ้งตัวนั้นมาได้เพราะนาักปิจักตมันนั้นมันจึงมีอยู่ในชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ย้เราสังเกตว่าตื่นขึ้นจ้ามืดมาเนี่ยเราได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถกูกต้องจนนั่นนอนแข็งใจก็เหวี่ยงไประหว่างอปิชักกับโถมันนั้นคือยินดียินได้ พอยินดีมันก็คอยคว้าปรารถนาต้องการครอบครองต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเห็นต้องการฟังต้องการดมต้องการลิ้มต้องการจับต้องเพาไม่ชอบมันก็ปฏิเสธคือผลักออกไปไม่ต้องการดูไม่ต้องการฟังไม่ต้องการดมไม่ต้องการลิ้มไม่ต้องการจับต้องไม่ต้องการเหนียวนึกจึกนึกแตลอาก็จริงเป็นเรื่องแปลก เรื่องที่เราไม่อยากคิดนี่กับคิดนั้นก็จำนองคล้ายๆคนกลัวผีนะฮะก็พยายามไม่คิดแต่ก็ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งกลัวยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวไปเรื่อยๆดังนั้นพิชชาทมานันจึงมีวิธีการที่เราเรียกว่าอินเสียสังวรเนี่ยก็คือแนวเห็นกลับไปที่สัมมาวยามาข้อที่หนึ่งง คือสนนังรวมระวังเวลาตายเห็นรูปฟังเสียงจมูกดมกลิ่นนิ่มลดกายถูกต้องหยุดนอนนั่งแข็งใจเนียวนึกสึกนึกถึงอารมณ์เนี่ยควบคุมใจเอาไว้ไม่เกิดความยินดียินไล่ไม่เกิดความรักความชังอยางไม่มีอะไรก็ไอวางเฉยเสียแต่ถ้าให้ดีแล้วเนี่ยนะฮะคือมองคนสิ่งที่มีชีวิตโดยเมตตา มองสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรและจะมีเหตุผลในการดำรงชีวิตเราสามารถจะประคับประคองชีวิตหรือรักษาชีวิตไปได้ปัญหาใหญ่สาคัญก็อยู่ที่เราต้องมีปัญญาซึ่งทำหน้าที่กะจัดโมหะออกไป ถ้าโมหะอย่างมากอยู่เนี่ยโอกาสที่จะคิดที่จะเห็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วอันตรายหรือว่าความดีนะฮยมันมาจากประสาทสำคัญความดีก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความชั่วก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ในที่นี้เน้นเฉพาะขจัดบาิชาและโทปดั๊ก และอย่างที่บอกแล้วว่ากระแสมันธรรมะจริงๆมันมีดีไม่ดีกลางๆคื อ, ค อ, คอคกุศลอกุศลกลางกลางเมื่อไม่ได้ เ, เนียวนึกจุดนึกไปนเนทาทางอกุศลมันก็ต้องศึกนึกทางกุศลด้วยทางกลางกลางทางกลางๆางนี่เรียกว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ถ้าเรานึกไปนในทางที่เป็นกุศลมันก็เป็นี่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมสามารถจะพลิก หน้ามือเป็นหลังมือจากคนมีมินเมตต์ต่อการีะทำช่วยกลายเป็นคนดีเป็นคนังเือดดีขึ้นมาเพียงชั่ววูบของอารมณ์ความคิดตอนในเรื่องเหล่านีเน้เป็นเป็นเรื่องที่ที่สำคัญวันก่อนนีฟังข่าวที่พวกนักบินเขาพิพาทกับอะไราสาภาพอะไรเขาเนี่ย เปลี่ยัให้เ็ความคิดของที่ขาดการสมบูรระวัง ใ, ใช้อัตตาตัวตนมาเป็นเครื่องมือในการทำงานโดยไม่คำนึงถึงสาระสำะจริงๆเนี่ยของการบินเนี่ยคือการบริการทุกระดับประทับใจนั้นก็คือก็คือเนื้อหาเพราะั้คนจะต้องมีการปรนนิบนอมมีการประสานใจกัน จะต้องทําให้ผู้รับบริการเนี่ยมีความพอใจแล้วก็กลายเป็นหน่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แต่ว่าเวลาความเหตุผลทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันอัตรามันใหญ่จังอตัตราใหญ่จังแล้วก็ใหญ่บนเนื่องงานของคนอื่นนะฮะไม่ใช่งานของตัวเองตัวเองเป็นลูกจ้างแต่นั่นเอง ย, ยังเียกว่าความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่น่ากลัว พอถึงจุดหนึ่งไม่มีความรับผิดชอบเพียงแต่กล้องการเดี๋ยวชนะค่าขานกันนั่นเองเราบอกว่าเป็นเรื่องของขวัญเรื่องของกำลังใจเรื่องของอะไรก็ อ, อธิบายก็ฟังได้นะฮะจริงๆแต่ว่าทําไมผู้นําจึงอ่อนแอขนาดนั้นจิตใจไม่มีความเข้มแข็งขนาดนั้นและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือกับผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเอง กรณีก็เป็นเป็นตัวอย่างให้คิดว่ามันเกิดจากอะไรเกิดกับขาดการสำรวมระหวังที่ใจมันปล่อยให้ความยินไร้แล้วก็โทมนัสเนี่ยคือความอึดอัดใจความทุกข์ใจมันก็อนงำมากเกินไปแล้วผลทุ่ท้ายเนี่ยพลังศีอมาหิตมันก็แผ่ไปไปกระทบประพูดโดยสารค่ะว่าตั้งหลายชั่วโมงไปค้างอยู่ในเครื่องบินเนี่ เรานี่เรามองในกรณีศึกษาคือไม่ได้มองในกรณีว่าใครผิดใครถูกนะแต่เรามองในกรณีศึกษาวันนี้คือลีลาอารมณ์ลีลาอารมณ์ที่มันเกิดจากความยินดียินด้านี่แหละเกิดจากกบิชาและโรถูกมันนั้นตลอดต้องปัญหาต่างๆที่เราต้องการจะจัดระเบียบสังคมมีพวกหนึ่งต่อต้า น, นะฮะมีพวกหนึ่งก็ ชื่นชมยินดีจะ ถ, ถามอะไรก็ฝ่ายหนึ่งยินดีฝ่ายหนึ่งยินได้แา่แลักษณะยินดียินได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถจะทําอะไรให้ใครชอบใจได้ทั้งหมดทุกเรื่องที่เราทําลงไปพูดลงไปมันก็ต้องมีคนชอบคนไม่ชอบอย่างที่โบราณนั้นพูดว่าคนรักก็ผืเป็นนังกนจังกับผืนเสือเอ้อเราไปรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นไม่ได้แร้ว แต่นี่มันไม่ได้สอนให้ไปรับผิดชอบความรู้สึกคนอื่นแต่สอนให้รับผิดชอบความรู้สึกของเราเองโดยไม่ให้ใ จ, จิตใจนั้นอ่อนไหวอ่อนไหวไปกับกระแสของอารมณ์ที่มากระทบซึ่งบางครั้งก็จงใจนะครเช่นในปัจจุบันเราเห็นว่าอารมณ์ส่วนมากเนี่ยมันจะมีการจงใจคือสัรสร้างขึ้นมานะครเช่นการทําโฆษณาะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สร้างเพื่อยั่วยวน ไม่ายเกิดกว่าอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ลงทุนลงเรืองสร้างกันวางแผนคิดกันกว่าจะทําได้นโอ้ไม่ใช่เล่นนะฮรับทโฆษณาแต่ละอย่างแต่ยานี้เคยอ่านพบว่าบางเรื่องมันว่าว่ากันเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านก็มีนะทําโฆษณานิดเดียวั น, นึงนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสื่อทั้งหลายที่เรารับในปัจจุบัน มันส่วนมากเป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากการจงใจสร้างสถ า, านการณ์ขึ้นเพื่อเอาเราเป็นเหยื่อเขาอ่อยเราได้เหยื่อนะฮะแต่เสร็จแล้วเราเป็นเหยื่อก็ทํานองไแค่คกระตกเบ็ดแต่ลองสังเกตดูอภานเบ็ดมันก็อ่อยเหยื่อลงไปแต่ว่าต้องการเจ้าปลาปนี่เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของตัวเองก็เป็นอาหารของตัวเองแต่เหยื่อให้ปลานิดเดียวฮนะแต่ในขณะที่เดียวกันก็เอาชีวิตของปลา แต่ปลามันก็มีโลภมีโมหะมันไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นเหตุเป็นผลในสุดจิตใจมันก็เลื่อนไหลไปสู่กระแสดึงดูดของความอยากกินเดือแล้วก็หุกเหยื่อเข้าไปในสิ่งในทีนต่ตัวเองก็กลายเป็นเหยื่อเองลีลาลงทั้งสองประเภทนะ่ะมีลักนณะอย่างนี้น คือหมายความเสร็จแล้วเราก็เป็นเหยื่อด้วยการทั้งสองด้านยินดีเราก็เป็นเหยื่อนะยินไร้เราก็เป็นเหยื่อท่านถึงสอนให้พยายามใช้สติสัมยาความเพียรเนี่ยเป็นเครื่องมือในสกัดกั้นอารมณ์รักอารมณ์ชังทั้งสองประการนี้อย่างน้อยก็บันเทาวแวได้ทั้งฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธยญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรม จะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี